Thank mm -hmm. you. ศึกษาปฏิบัติได้ยินได้ฟังเอาไว้วันนี้อาจจะไม่ได้สัมผัสเทียงแต่ได้ยินได้ฟังต่อไปอีกนานหลายปีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราอาจจะเอาไปทาได้สัมผัสกับธรรมอันใดอันหนึ่งเช่นที่สุดของชีวิตเราคือวิมุต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 เราจำเป็นจึงต้องศึกษาจำเป็นจึงต้องปฏิบัติยังไงยังไงมันก็หยุดไม่ได้หรอกอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องดูต้องเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอยึดได้ก็ให้มันยึดได้สิ่งไหนที่วางก็มันแลี่ยวๆไปสิ่งไหนที่ยึดไว้เพื่อเอามาใช่ก็ยึดไว้มีสิทธิอย่างนี้เดีย๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีสิทธิ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 ธรรมชาติก็ต่อเอาเป็นความลักความชังแต่จริงมันแค่นั่นมันแค่ธรรมชาติแค่อาการอย่างนี้เราจรึงมาศึกษาให้มาเห็นได้ฐานได้หลักยึดได้ยึดรูปมารมยึดนามมารมส่วนที่เป็นรูปมันถึงไหนเพียงไรเราไปเกี่ยวข้องกับรูปขนาดไหนสิ่งที่เป็นนามเราไปเกี่ยวข้องกับนามอย่างไร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 เหงื่วข้าวไม่ไหวคนหนึ่งว่าไม่ไหวคนหนึ่งว่าเหิื่ข้าวอืมไม่เป็นไรบางทีเราก็สมมติมันญยัดมันต่างกาันแต่เรามีสตินะคอยดูไม่มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะโกรธเราก็มีแต่เดียวที่จะต้องเห็นมันจะอืมอืมอะไรให้เข้มแข็งอย่างนี้การปฏิบัติธรรม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 พิกมือขึ้นสำเร็จตั้งไว้แล้วลู้ยกขึ้นอีกพักหนึ่งลู้ยกมาอีกพักหนึ่งลู้มันลู้เป็นจังหวะพอให้เราลูเ้เป็นครั้งเป็นครั้งพอดีไม่พืชไม่เหมือนเหล็กเส้นมันไม่ทื่อมันเหล็กเส้นวิธีที่เราทำอยางเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สวัสากกามฐาน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 เอาพุทลงไปโทลงไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกอเหล็กเส้นแล้วบ้างังหบแล้วบ้า น, นิ่งอะไวบนางตายอยู่นั่นแหละนักกรรมฐานไม่รู้แก่ okay. เวลาออกจากกรรมฐานแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนศิลาทับจ้าเมื่อเอาศิลาออกแล้วย่ามก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมข้อนขวายที่จะเข้ากรรมฐาน อ่อนแอเมื่ออยู่ในความสงบเหมือนศีลดทับยากันไม่อินรีย์มันก็ไม่แจกร้ามันยังอาศัยอื่นอยู่ผ่นไว้ง่ายพอกรรมฐานประเภทนี้จะต้องหลบหลีตหนีผู้นี้คนอยู่เรื่อยๆแต่ที่เราทําอยู่เนี่มันเป็นวิปัสสนาภาวนามันไม่ให้ทื่อมันเป็นจังหวะมันลู่มันลู่มันก็ออกมาดูเหมือนออกมาดูนะไม่ใช่อยู่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 ก็ต้องรู้เวลาเขาพูดอะไรให้ฟังเออเวลาเขาพูดอะไรให้ฟังบางทีเขารู้ของจริงเนี่ยราแบบโอ้ใช่แล้วใช่แล้วนั่นแหละนั่นแหละไปพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะบางทีก็ตีอกดีใจจนเกินไปโอเคโวยวายโหลดผลไปเลยก็ตือลือล่นไปเลยมันก็คนหนึ่งไปติดคุก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 เอาดีๆเนละอะไรก็พูดอะไรก็ตามไม่คนไมยคนไม่เอาแล้วๆคนไม่รู้จากรูปรูปร้รจากนามแล้วน้องคนไม่เนาะเอออยงนั้นนะเอาไปมาพูดคำสองคากับคนไมยคนไม่เพราะว่าเป็นเป็นพูดเล่นแต่คนก็ไม่ค่ยจริงจังอะไรดอกเอาไปมาคนมายกดดังเอะขึ้นมาไลระเบิดสร้างพาจิตขึ้นมาเขาว่าเขามีปัญญา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 นตทีโกโทถ้ายังโกรธอยู่จะดียังไง ม, มันก็จะถูกของเขาแต่ว่าไม่ไม่ถูกแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรีว่าโกโทคัตวังโกโทคัตวังสุขขัางเสติถ้าความโกรธจะได้อยู่เป็นสุขแต่พระมายเนี่ยนาทีโกโทถ้ายังมีความโกรธอยู่ไม่ไ ม, ไมีไม่ดีเลยเราต้องแก้กัน อางทีก็หลงถ้าไปยกยอเกินไปบางคนมันก็โลดผลบ้าโคโกกบโคโกโคตื่นเต้ก็ไมนแ่บางทีเขาถึงที่สุดแล้วเราก็รู้ค่อยพูดค่อยเล่นกันไปแล้วเขาทำอะไรเงี้ยเขาก็มาบอกเงยมันไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่มียังไงก็นี่ึือลูก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 ความโกรธไปตั้งอยู่บนโลกก็หล่นลงไปความโกรธไปตั้งอยู่บนน้าก็โหล่นลงไปคเ Laser, นเน่หน้ารักนะก็โหล่นลงไปคนเน่หน้าช่างนะก็โหล่นลงไปจะให้มันไปติดเป็นความรักความช่างมันก็ไม่มีจะให้มันไปติดเป็นความทุกข์ความสศกความอ่าไรมันก็ไม่มีมันหล่นลงไปง่ายง่ายมันเหวี่เหวฝังกิเลสทั้งหลายมันโหล่นลงไปโหล่นลงไป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 ห้องน้าพักนอนได้สบายร้านอาหารตู้โทรศัพท์เตียงพยาบาลสองเตียงที่พักรถเขาเนะเมื่อเราไม่มีอะไรมีแต่รบ ม, มา้าของเขามีนะพวกไฮเวย์ของเขามีเตียงพยาบาลสองเตียงตู้โทรศัพท์สองโต้ห้องน้ำห้องอาบน้าห้องน้มสองห้องห้องอาบน้ ำ, อนำสองห้องห้องอาบน้ ง, ง, อ ง, อบนงเขาก็น้าอุ่นด้วยนะ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 อะไรที่คิดดำดื่มดำพอสมควรนะความคิดไม่อยากผ่านมีอาสาทะติดก็มีนะบางคนนะั่งพอปฏิบัติทําไปติดความคิดก็ไปเป็นจินตญาณเป็นวิปัสโนไปเอาหนังสือเอาปากกาคือไาเขียนก็มีบางทีอย่าไปติดลู่เ ล, ลื่อยไปลู่เลื่อยไปถ้ามันลู่มากมากแล้วลู่สึกตัวนะไม่ใช่ลู่นะกลองลู่มันก็มีมีรสชาติวนเขาเรียกว่า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 าิบติถ้าสุกเอาสุกไม่มียอดเลยห้วนไปเลยนี่แต่มันจะห้วนลงหุน่นลงไม่เกินสองปีวิปส น, นไม่ต้องไปแย่เขาก็จะเป็นไปอสองปีเท่านั้นในเพื่อนคนหนึ่งพอปฏิบัติรู้จักรูปตามเข้าไปถึงวิปสนุเลยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนีน้จะไปเทศให้คนนั่นฟังจะไปเทศให้คนนี้นฟังเราห้ามก็ไม่อยู่โน่นไปอนองหาโน่น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 อย่าไม่อยากลู่จนผิดปกติเป็นกลางๆงนักปฏิบัติวางตัวเป็นกลางๆงวางตัวเป็นกลางๆงไม่ไปสุขไม่ไปทุกไม่ผิดไม่ถูกผิดถูกอยู่อันหนึ่งเห็นแล้วก็เห็นอยู่เนี่ยสะดวกดีนะปฏิบัติ